คิดดีพูดดีทำดีเพียงทำสามประการนี้ให้สม่ำเสมอตามที่พระพุทธองค์สงสอนก็จะสามารถหนีมือแห่งกรรมไม่ดีได้มือแห่งกรรมไม่ดีจะไม่สามารถตะครุบไว้ในอำนาจได้บาปกรรมใดๆแม้ได้กระทำไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติจะไม่อาจตามสนองได้ง่ายๆในภพชาตินี้อย่างมาก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 ูกมือของกำร้ายทำให้กลายเป็นคนเหลือขาครึ่งเดียวบ้างข้างเดียวบ้างคนบางคนมีลูกรักดังดวงใจลูกออกจากบ้านไปก็ไม่ได้กลับบ้านอีกเลยมือของกำร้ายปลิดชีวิตของเขาแล้วอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตกลายเป็นศอกคอขาดก็มีไส้ทะลักก็มีคนบางคนนอนหลับอยู่ในบ้านเรือนตนด้วยความรู้สึกปลอดภัยแท้แต่ก็กลับมีมือของกำร้าย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 พึงสังวรระวังให้รอบครอบในเรื่องนี้อย่าคิดอย่างประมาทว่าพระพุทธศาสนาไม่มีชีวิตตายไม่มีบาดเจ็บไม่มีจะทำอะไรกับพระพุทธศาสนาจึงไม่น่าจะเป็นบาปเป็นอกุศลกรรมอย่าประมาทในเรื่องนี้มิฉะนั้นเมื่อต้องได้เสวยผลแห่งการทาลายพระพุทธศาสนาจะทุกข์ทรมานนักใครก็จักช่วยไม่ได้การทำลายชีวิตสัตว์นั้น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 ความรู้สึกหลอกหลอนเกี่ยวกับการฆ่าวัวฆ่าควายด้วยมือของตนนั่นแหละที่ติดตามมาส่งผลให้ผู้นั้นต้องทุรนทุรายและร้องเป็นเสียงวัวเสียงควายเหมือนที่ตนเองเคยได้ยินเคยได้เห็นในการฆ่าแต่ละครั้งเสมอมาบางคนที่เคยเห็นการตายของผู้มีอาชีพฆ่าสัตว์ใหญ่มีความรู้สึกว่าผู้ใกล้จะตายนั้นไม่มีชีวิตจิตใจเป็นคนเสีแล้ว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 ท่านทำตะไครน้ำขาดและมรณภาพก่อนจะหาพระปลงอาบัติได้จิตท่านผูกอยู่ด้วยความเป็นห่วงจึงได้ไปเกิดเป็นพญานาคส่วนผู้เผลอตกยุงหรือเผลอบีหมดถ้าแม้ใจไม่ผูกยึดอยู่ว่าได้ทำบาปก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อยการทำบาปหรือทำกรรมเล็กน้อยเช่นนี้จะไม่ส่งผลให้ปรากฏถ้าผู้ทำไม่ไปผูกใจเดือดร้อนกังวลอยู่